วันเสาร์ที่หนึ่งมิถุนายนพศ2539เป็นการพยาธรรมเรื่องประวัติการบรรลุธรรมของพิาสาวกโดยอา จ, จารย์สุเทพโปธิสัต t าท่านสาธุชนผู้ใคร่ธรรมที่เคารพเอาวันนี้ประวัติการบรรลุธรรมของพระอริยาสาวกนั้นจะนำเอา ประวัติของพระเถระองค์ที่หนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดโดยลำดับไปมากล่าวสืบต่อจากที่พูดจบไว้เมื่อคราวก่อนโ น, น้นองค์ที่หนึ่งร้ยห้าสิบเอ็ดนั้นมีชื่อว่ามิคะสีระมิคะสีระตามศัพท์แปลว่าหัวขวางเพราะมิคะในภาษาบาลีนั้นก็คือมรุคะที่แปลว่าขวางสีระ ในภาษาบาลีก็แปลว่าศีรษะหรือหัวชื่อของพระเทระรูปนี้ที่ได้ชื่ออย่างนี้ไม่ได้หมายความถึงบุคลิกลักษณะของท่านว่ามีศีรษะเหมือนกวางแต่อย่างใดแต่ที่ได้ชื่ออย่างนี้ก็เพราะเหตุว่าคาว่ามิคาศีระนั้นเป็นชื่อของโรคเป็นชื่อของโลกในอินเดียเขานะฮะเข้าใจว่าจะเป็นดาวฤกษ์กลุ่มที่มีลักษณะ ที่คนอินเดียเขามองว่าเหมือนกับหัวควางก็ได้ก็เอามาตั้งชื่อเป็นริกหรือเป็นกลุ่มดาวนักสัตว์ที่เรียกว่ามิคาสิระนักษัตวและพระเทรรรูปนี้ท่านเกิดในโลกนี้จึงได้ตั้งชื่อของท่านด้วยอำนาจของโกจึงได้นามว่ามิคาสิร ะ, ะตัวท่านเองนั้นเกิดในสกุลพราหม เป็นชาวโกศนรัฐคือไม่ได้เกิดในเมืองสาวัตถีเกิดนอกเมืองสาวัตถีซึ่งอยู่ในแคว้นโกศนจึงเรียกว่าชาวโกศนรัตท่านก็เมื่อได้จบการศึกษาในทางสายพราหมณ์หรือในสมัยนั้นที่จะพึงศึกษากันก็ได้มาเรียนมนเรียนมนมนหนึ่ง ม น, นี้เป็นมน์อย่างเดียวกับที่พระวังคีสาเถระได้เรียนจบและได้รับความสำเร็จมาแล้วม น, นั้นมีชื่อว่าชะวะศีษะคำว่าชะวะศีษะหรือชะวะศีษะมน์เนี่ยแปลว่ามน์เคาะกระโหลกผีซึ่งมีความหมายว่าคนที่เรียนมน์นี้จบแล้วจะ รับจ้างจะเรียกว่ารับจ้างก็คงยะไม่ผิดเพราะว่าเป็นทางทำหมากินอันหนึ่งและนอกจากจะเป็นการรับจ้างเพื่อแสวงหาลาบแล้วก็ยังแสวงหาความเชื่อถือของบุคคลในสังคมทั่วไปด้วยอ า, อาชีพนี้ก็คงจะเป็นอาชีพที่คล้ายๆสับเบลเลยนะครับคือหากินกับคนที่ตายแล้ว ธรรมดาญาติพี่น้องของผู้ตายแล้วนั้นถ้าเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดอย่างในอินเดียทั่วไปก็อยากเรียนรู้ว่าญาติของตัวเองนั้นตายแล้วไปเกิดที่ไหนก็อาจจะใช้วิธีการสืบหาคติของญาติด้วยประการต่างๆหลายอย่างเช่นการทรงเจ้าเข้าผีอย่างที่ชาวจีนชอบทํากันแล้วก็รู้สึกว่าจะทํากันได้อย่างน่าเชื่อถือนะ แต่คนที่เรียนจบมนนี้จะสามารถพยากรณ์คติของผู้ที่ตายไปแล้วด้วยการเคาะกะโหลกศีรษะการเคาะกะโหลกศีรษะของศพผู้ที่ตายไปแล้วทําให้พยากรณ์ได้ว่าผู้ตายไปแล้วเกิดไปเกิดในพบไหนอซึ่งในประวัติก็ไม่ได้บอกว่าท่านรู้ได้อย่างไร รู้ได้โดยวิธีใดไม่ได้อธิบายเราก็อาจจะสันนิษฐานนะฮะข้อสันนิษฐานน่อาจจะมีมากมาย อ, าอย่างเช่นอย่างหนึ่งก็คือเมื่อข้อกระโหลกศรีรษะแล้วสามารถที่จะทําให้เจ้าของตะโหลกที่ตายแล้วไปเกิดพบใหม่ภูมิใหม่นั้นรับรู้ได้เหมือนกับใช้มนบังคับนะฮะก็ทำให้มาบอกมาบอกเหมือนอย่างมาเข้าทรงว่า กับาเจ้าเป็นเจ้าของกะโหลกนี้ตายแล้วจากภพนั้นไปเกิดในภพโน้อนอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งแล้วก็ในบ้านเราเนี่ยครับเท่าที่เห็นบางทีก็ใช้วิธีการจุดทูบจุดเทียนแล้วก็ท่องมนบังคับด้วยวิธีการอย่างต่างๆนะครับหลายอย่างไม่บังคับก็มีแล้วก็ทําให้เรารู้ได้ว่าเขาไปเกิดในภพไหนหรืออาจจะนั่งทางในประกอบเห็นผู้ตายไปอยู่ในภพใดก็รู้ได้ ก็หลายอย่างด้วยกันนะครับ ก, ก็ก็เชื่อได้ว่าการทำมนอย่างนี้คงจะเป็นที่พิสูจน์หรือพอเป็นที่เชื่อแก่คนในสมัยนั้นว่าญาติของเขาไปเกิดที่นันทีนี้ได้จริงด้วยข้อยืนยันต่างๆจึงนับถือผู้ที่สำเร็จมนนี้ท่านก็ได้ใช้วิชานี้ประกอบอาชีพจาริกเลื่อยไปและ ได้บวชเป็นปริภาชกเป็นนักบวชนักบวชที่เรียกว่าปริภาชกนะั้นเป็นนักบวชเล่ร่อนแล้วก็มีความรู้พิเศษในสายต่างๆก็เป็นเครื่องย่างชีพของความเป็นนักบวชของท่านไปด้วยในตัวท่านก็เดินทางมาถึงเมืองสาวัตถีเช่นเดียวกับท่านวังคีศักแต่คนจะวาระ ก็คนลาวาราคนลาโอกาสกันก็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคด้วยความประสงค์จะอวดมนของตัวเราเห็นว่าพระผู้มีพระภาคนั้นมีคนนับถือมากก็ตัวก็ไม่รู้ว่าคนมานับถือพระพุทธเจ้าพเพราะเหตุใดก็คิดว่าตัวก็มีดีและสิ่งที่ตัวเองคิดว่าเป็นความดีของตัวเองนั้นน่าจะข่มพระสัมมาสัมพุธเจได้ก็จึงเข้าไปเฝ้า เราเรียกว่าเข้าไปเฝ้าอย่างนั้นเองเข้าความจริงเข้าไปข่มพระพุทธเจ้าก็เมื่อไปพบพระพุทธเจ้าก็ไปคุยปวดให้พระพุทธเจ้าทราบว่าตัวมีมนสามารถที่จะพยากรณ์กติคนตายไปแล้วได้รู้เจ้าก็ถามว่าพยากรณ์อย่างไรก็เล่าให้ฟังนะถึงวิธีการเท่าที่จะเล่าได้พระผู้มีพรภาคก็ต้องการจะพิสูจน์ก็ทําทอย่างเดียวกับที่ได้ทรมานพระวังคีส่าคือ ให้ไปนําเอากะโหลกของพระละหันพออ่านถึงตรงนี้นะ่ะเราก็สงสัยว่าธรรมดาพระละหันที่ปรินิพานแล้วก็จะจะเรียกว่าชาบรกิจโดยค่อนข้างจะทันทีนะฮะอแต่ว่าการที่ทรมานพระวังกีสากับท่านมะเขือเสละเนี่ยไปเอากะโหลกของพระละหันที่ไหนก็ทำเนียมเรื่องการฝังนั้น ในสมัยนั้นโดยเฉพาะในวงการพระราหันนั้นไม่เป็นสู้เป็นเรื่องที่สู้จะนิยมทำอันนี้ก็ไม่ได้อธิบายไว้นะครับแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านคงจะเตรียมเหตุการณ์และรู้เหตุการณ์อะไรบางอย่างแล้วก็ได้ทําการเตรียมบางสิ่งบางอย่างไว้เพื่อการทรมานบุคคลอื่นซึ่งพระราหันผู้เป็นเจ้าของกระโหลกนั้นก็คงจะไม่ขัดข้องแล้วครับก็ถือว่าได เรียกว่าตายไปแล้วสลีละของท่านก็ยังมามีผลต่อการทำบุคคลอื่นให้เป็นอย่างที่ท่านเป็นได้ก็เป็นความเต็มใจอันหนึ่งนะนี่เราก็คิดคิดแทนพระอหรหันต์ก็คงจะไม่ผิดหรอกก็เอามาให้เคาะกะโหลกแล้วเคาะทั้งหลายครั้งท่องมนหลายครั้งก็ไม่ทราบว่าพระอหรหันต์นั้นไปสู่ที่ใด พระผู้มีพระภาคก็ถามว่าไม่รู้ใช่หรือไม่ก็ตอบว่าไม่รู้พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าแต่ว่าเราเนี่ยสามารถรู้ว่าเจ้าของประโหลกนี้ไปอยู่ที่ใดรู้ด้วยอำนาจมนต์ของเราที่เรียวกว่าพุทธมนต์แล้วก็ธรรมดาแหละครับคนที่มีความรู้สนใจในความรู้อะไรแล้วมีคนที่รู้มากกว่าก็อยากจะเรียนรู้พระผู้มีพระภาคจึงให้โอกาส ว่าถ้าอยากจะเรียนรู้มน์ที่สูงกว่ามณ์ที่ท่านรู้เนี่ยก็ขอให้ได้บวชมาก็ได้บวชมาเพื่อที่จะเอาความรู้นอกเรื่องไม่ใช่ความรู้ในธรรมวินัยตอนนั้นยังไม่ได้คิดว่าธรรมวินัยคืออะไรความรู้ในส่วนอื่นคืออะไรแต่ว่าการบวชเข้ามาด้วยความประสงในความรู้หรือความโลภในความรู้อันนี้นะบูดอย่างสภาวะจีก็คือบวชเข้ามาด้วยความประสงในความโลภ ในความรู้เอามีคนอื่นๆ น, นั้นบวชเข้ามาด้วยความประสงค์ความโลภอย่างอื่นเป็นตัวอย่างอีกหลายเรื่องแต่ถึงอย่างนั้นคนที่มีบุญบารมีและบวชเข้ามาด้วยความประสงค์ในความรู้ด้วยซื่ออย่างนี้พระผู้มีภาคเมืม่อทรงสอนให้ปฏิบัติสมถะก่อนก็ปฏิบัติสมถะกับฐานและเมื่อสอนให้ปฏิบัติวิปัสสนา โดยลำดับสืบต่อมาก็ปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานโดยสื่อและในที่สุดก็ทำให้ท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์ไปในที่สุดและทาถามว่าพระพุทธเจ้าหลอกหรือไม่โกหกหรือไม่ก็ไม่ได้โกหกเพราะเมื่อได้เป็นพระอรหันต์แล้วก็รู้ว่าเจ้าของกระโหลกที่ท่านเคาะแล้วรู้ไม่ได้แต่แรกว่าตายแล้วไปไหนเนี่ยก็รู้เดี๋ยวนี้เองโดยไม่ต้องเคาะกะโหลก ว่าเจ้าของกระโหลกนั้นตายแล้วไปสู่นิพพานแม้เราผู้เป็นเจ้าของกะโหลกของเราก็ไม่ต้องไปเคาะตายแล้วก็ไปสู่นิพพานเหมือนกันเป็นคติที่เหนือคติที่บางทีไม่เรียกว่ า, วาเป็นคตินะนี่เป็นเป็นประวัติของพระมิฆสีละที่มีความเป็นมาของชีวิตแล้วก็มีเหตุผลในการเข้ามาสู่ธรรมวินยัยเป็นอย่างนี้ กายกับท่านพระวังกีสะจะต่างกันก็ที่ว่าพระวังกีสะนั้นได้รับยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะทางด้านปฏิพาน์แต่ท่านทุนี้นั้นไม่ได้รับยกย่องเป็นเอตทัคคะทางใดต่อไปองค์ที่หนึ่งร้อยห้าสิบสององค์ที่หนึ่งร้อยห้าสิบสองมีชื่อว่าสิว ก, กะเกิดในสกุลพราหมณ์ชาวเมืองสาวัตถีเช่นเดียวกันองค์นี้เกิดในเมืองครับ ก็อหลังจากเรียนจบในทางสายโลกแล้วด้วยเหตุว่าท่านผู้นี้มีอัตยาสายทางเนคกรมะเมื่อมาได้พบพระพุทธศาสนาก็ไปบวชเป็นปริพาชก ค, คือปริภากเนี่ยเป็นประเภทนักบวชที่มีทางเลือกมากที่ว่ามีมีทางเลือกมากเนื่องจากว่าจะเป็นปริพากในลักษณะอย่างใดก็อาจเป็นได้ตามความถนัดและแนวโน้มของตัว ซึ่งจะแตกต่างกับไปการไปบวชเป็นพวกนิครณลักษณะจะต้องอยู่ในกรอบเป็นอันเดียวกันแตกต่างกันได้บ้างนิดหน่อยแต่ไม่มากปริพชกษนี่เป็นชีวิตการบวชที่ค่อนข้างจะมีเสรีภาพสูงแต่งงานแต่งการก็ยังได้เลยแต่ไม่แต่งก็มีมีตั้งร้องอยากเมื่อท่านบวชเป็นปริพชกก็ได้จาริกไป ถ้าเป็นพระสงฆ์เราก็เรียกว่าทุดงไปในที่ต่างๆแต่จะต่างกันกันกนกบพระสงฆ์ก็ตรงที่ว่าการทุดงของพระสงฆ์นั้นทุดงไปในลักษณะโดดเดี่ยวเป็นทุดงที่ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในทางการปฏิบัติธรรมแล้วก็จริงๆทุดงของสงฆ์เ่าเนี่ยไม่ได้แปลว่าท่องไปเดี่ยวมานะไม่ได้เน้นเอาตรงนั้นแหละครับอาจจะอยู่กับที่ก็ได้หรืออาจจะมีการจาริก ไปตามสมควรแก่เหตุบ้างแล้วแต่ว่าจะทําทุดงประเภทไหนแต่พวกบริพชกเนี่ยเขาจะลิกไปจริงๆไปสู่ที่ต่างๆในเมืองก็โดยมากจาลิกไปในสังคมฮะไม่ได้ลิกเว้นออกจากสังคมก็ได้ไปพบพระพุทธเจ้าด้วยอำนาจของบุญบรรดาหรือบารมีบัรดาลแล้วก็ได้ไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าโดยมิได้แสวงหา เห็นจะเรียกว่าไปฟังโดยโดยเหตุประจวบเฉพาะหน้าเมื่อไปฟังแล้วก็กเลื่อมสบวชแล้วก็เป็นพระอรหันต์ได้โดยไม่ลำบากนี่ในส่วนของการ <c oughs> บรรลุธรรมของท่านก็ง่ายๆอย่างนี้นะครับไม่มีอะไรที่เป็นจุดหลักสำคัญอะไรแต่ว่าจุดที่สำคัญก็คือว่าท่านเองเนี่ยเมื่อได้บรรลุธรรมแล้วท่านได้มีคาถา คาถาอุทานคล้ายกับพระพุทธเจ้าเราอุทานแต่ไม่ใช่เหมือนกันโดยไปเศชนะทุกไปเศชนะคือในปฐมอุทานของพระพุทธเจ้าที่เราเรียกว่าเป็นปฐมพุทธพจน์เนี่ยเป็นการตรัสโดยพระองค์เดียวเรียกว่าพุทธอุทานว่าเราเป็นผู้สแสวงหาในช่างผู้สร้างเรือนจากพบน้อยพบใหญ่เนี่ยบัดนี้เราได้พบในช่างผู้สร้างเรือนคือตัณหาแล้วแล้วก็ได้ประหาร ในช่างกู้สร้างเรือนตอนนั้นท่านจะมาสร้างเรือนคืออัตภาพหรือนามบูของเราอีกไม่ได้อันนี้เรียกว่าเป็นปฐมพุทธพจน์คนละอย่างกับปฐมเทศนาปฐมเทศนานั้นคือทำมาจากกับปอตนสูตรที่ทรงแสดงแก่เบญจวัคคีนั่นเรียกปฐมเทศนาถ้าเราได้ยินถ้าถามว่าปฐมพุทธพจน์คืออะไรก็คือตรงนี้ถ้าถามว่าปฐมมเทศนาคืออะไรก็คือ คือพระสูตรที่เรียกว่าธรรมจักกปะปตนสูตรก็พระองค์นี้ท่านได้กล่าวถึงธรรมที่ท่านประทับใจมีความเป็นอันเดียวกันกับพุทธพจน์ที่เป็นปฐมพุทธพจน์ดังกล่าวจากนี้ก็จะเลยมาถึงพระเทเรซอีกรูปหนึ่งพระเทเรซรูปนี้ชื่อของท่านเรา จะคุ้นหูเป็นอย่างดีสาหรับคนที่โดยเฉพาะถ้าอ่านปรินิพานสูตรมาแล้วคือท่านอุปวานะท่านอุปวานะนี้เป็นองค์เดียวกันกันกบที่ปรากฏในมหาปรินิพานสูตรแต่ว่าตอนที่เราอ่านในมหาปรินิพานสูตรเนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าท่านยังไม่ได้เป็นพระอรหรันต เพราะว่าในที่นั้นกล่าวถึงเมื่อพระผู้มียภาคกระทาอนุตตสายาตคือประทับสำเร็จสีลญาติากลางสุดท้ายไม่ลุกขึ้นอีกพวกมนุษย์ภิกษุแล้วก็รวมทั้งเทวดาได้มาเฝ้าผลัดเปลี่ยนกันชุดแล้วชุดเล่าพวกแล้วพวกเราตลอดเวลาโดยเฉพาะเทวดา ท่านอุปวานนะเนี่ยตอนนั้นท่านก็ดูแลพระผู้มียระภาคอย่างใกล้ชิดก็เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าบังเทวดาซึ่งไม่มีไม่มีใครนึกไม่มีใครรู้แม้ท่านอุปวานนะท่านก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้พระผู้มียระภาคได้ตรัสใช้คำว่าตรัดไล่ท่านอุปวา น, นะให้ออกไปตัดอัปเปหิแออกไปก็ฟังเป็น ภาษาไทยแปลเป็นภาษาไทยแล้วเหมือนกับว่าไล่พระอรหันต์แต่ว่าจริงๆแล้วก็คือท่านขอพระพุทธเจ้าขอให้ออกไปจากที่นั่งตรงนั้นด้วยเหตุผลตรัสภายหลังว่าเพราะท่านอบาวนะนั้นบังเทวดาคือเกะกะตาของเทวดาไม่ได้แปล ว, ว่ามาบังจนทั้งมองไม่เห็นนะแล้วพระอรหันต์มาขวางอยู่เนี่ยจะมีลักษณะการบัง ผิดแปลกไปจากคนปุตตชนธรรมดาหรือไม่ท่านไม่ได้พูดไว้แล้วก็เป็นเรื่องที่เราน่าจะศึกษาตรงนี้กันต่อไปด้วยก็หมายก็ว่าพระพุทธเจ้าขอเชิญพระอรหันต์ที่กำลังมาทำกิจพัดวีอยู่เนี่ยให้หลบออกไปถ้ากัาหลบออกไปก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่แต่ว่าเวลาเราอ่านเผลอเหมือนกับว่าพระองค์นี้ไม่รู้การอันควร ทำอะไรไม่ดูตามาตะเรือเหมือนอย่างนั้นนะความจริงน่ะถ้าไม่ใช่มีเหตุผลเรื่องเทวดาแล้วก็ก็ไม่ต้องเชิญท่านออกไปแต่เมื่อมีปัญหาเรื่องเทวดาเขามาดูกันไม่ถนัดตาของเขาเนี่ยก็ขอให้หลบออกไปเสียเวลาจะกราบจะไหว้ก็จะได้ถึงพระพุทธเจ้าอย่างเต็มความรู้สึกของเทวดา ท่านอุบวานะนี่เป็นพระมาจากสกุลไหนอย่างไรบรรลุธรรมเมื่อไหร่ก็มีประวัติดังต่อไปนี้นะฮะท่านเกิดในสกุลพรามเมืองสาวัตถีเช่นเดียวกันครับพราหมณชาวกรุงสาวัตถีเหมือนกับองค์มจีนีแล้วก็ได้บวชในพระพุทธศาสนามานานแล้วนานแล้วคือเมื่อไหร่คือเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จรับวัดเคตาวัน จากท่านอนาถาบิกาเศรษฐีนั่นแหละซึ่งเหตการณ์ครั้งนี้นะมีคนบวชมาในพระพุทธศาสนาเยอะและท่านเมื่อได้บวชแล้วก็บรรุเป็นพระอาหารหันต์ถึงรอบด้วยวิชาหากประการไม่นานนะครับคือเป็นพระอาหารหันต์ที่ชีวิตไม่โลดผลนะครับอันนีเมื่อเป็นอาหารหันต์แล้วท่านก็ทําหน้าที่เป็นพุทธผูปถาทักษ์พุทธุู้ปถาก ค, คือผู้ปฏิบัติุรูปเจ้าเนี่ยทัดโดยตําแหน่งก็คือพระนอนน พระอนนท์จะทําโดยตําแหน่งถ้าพระอนนท์อยู่หรือเมื่อหลังจากที่พระอนนท์ได้รับสถาบันาแล้วท่านก็จะรับเป็นธุระเกี่ยวพระพุทธเจ้าทุกอย่างแต่ว่าเมื่อใดที่พระอานอนท์ไม่อยู่ภิกษุอื่นเนี้ยถือเป็นหน้าที่อันหนึ่งที่จะต้องดูแลถวายการดูแลอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าและบางท่านก็เข้ามาใกล้ชิดมาอุปถัมภ์อย่างใกล้ชิดถือเอาเป็น เป็นการเป็นงานสำคัญของตัวเองนะฮะก็มีหลายลรูปแับที่หมุนเวียนกันม า, าท่านอบาวานะนี่ก็เป็นองค์หนึ่งที่ได้อุปถาพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่ระยะต้นของการบวชแล้วก็เมื่อได้โอกาส ก, าก็จะเข้ามาอุปถามพุทธเจ้าเอาดุละเรื่องต่างๆตลอดมาเท่านี้ ที่ในประวัติของท่านเล่าถึงตอนหนึ่งว่าท่านอุปวานะนั้นได้ทําหน้าที่อุปถากพระพุทธเจ้าครั้งสําคัญครั้งหนึ่งในสมัยที่พระอนุลย์ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งคือท่านอุปวานะเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> มื่อก่อนที่จะบวชท่านมีเพื่อนเป็นพราหมณ์ซึ่งก็ไม่ได้บวชนะครับชื่อว่าเทวหิตประพรามเมือ่อท่านมาบวช พรามเพื่อนก็ถวายปวารณาไว้ว่าถ้าต้องการปรัจจัยสี่อะไรอะไรเราก็ขอให้บอกซึ่งท่านเองเขาไม่เคยไปขอรบกวนพรามเพื่อนกระทั่งครั้งหนึ่งพระผู้มีาภาคทรงอาพาธด้วยโรคลมโรคลมนี่ก็เป็นโรคภายในนะฮะท่านอุบาหนะที่ทำหน้าที่อุปถากดูแลอยู่ก็จึงคิดว่า เราควรจะไปใช้ภววนาของพรามนั้นเพื่อพระผู้มีประภาคจึงได้ถือบาตรเข้าไปหาพรามแล้วก็ไปพรรนาพุทธคุณให้พรามนั้นฟังเพื่อที่จะสรุปจบด้วยว่าการได้ทำบุญกับคนอย่างนี้เป็นบุญมากภาวนาว่าสูงยิ่งกว่าการ คนในบัตรรับใช้พระเจ้าแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าโกศหรือพระเจ้ามคตก็ตามเพราะเหตุนั้นบัตรนี้พระผู้มีพระภาคทรงประชวนอยู่ด้วยโรคลมอาตมาขอบิณฑบาตให้โยมเพื่อนเนี่ยได้นําเอาน้าร้อนและเพสัชชบริขารไปถวายเพื่อบําบัดโรคคาพาษของพระผู้มีพระภาคก็จึงได้ นำเอานำร้อนนำเอาเพศสัตชาบริขารไปถวายพระผู้มีพระภาคพระวิปาคเมื่อได้ทรงบริโภคของที่พราหมณ์นํามาถวายก็ทรงหายจากอาพาธ ท, ที่ปรากฏก็ไม่ใช่โรครุนแรงอะไรล่ะครับคงจะเป็นเป็นโรคที่ปรากฏเป็นครั้งเป็นคราวเหมือนอย่างคน เ, เป็นลมหรือคลื่นไส้อาเจียนอะไรทํานองอย่างนั้น ก็ได้ทรงตลาดอนุโมทนาแก่พรามนั้นกรามนั้นก็ได้ความยินดีกลับไปก็สมใจอ่ะสมใจสมกรรมโฆษณาของพระเพื่อนที่ได้บอกไว้มีกรณีบุญที่ท่านอุปวานนะได้เคยทำไว้ประการหนึ่งที่นับว่าเป็นหลักเป็นฐานทำให้เราเข้าใจกติของชาวพุทธที่เบต เราจะสังเกตว่าชาวพุทธิเบตเนี่ยเขามีวิธีการบูชาอย่างหนึ่งที่ทางไทยเราไม่สู้จะ น, นิยมไม่นิยมทํานะแต่ก็ไม่ได้ว่าเรานิยมเป็นอีกแบบหนึ่งคือเราไปอินเดียหรือว่าดูเรื่องสารคดีเกี่ยวกับทิเบตรหรืออ่านหนังสือหนังสือหาเกี่ยวกับสารคดีทิเบตเนี่ยเราจะพบว่าคนทิเบตนนัน้นิยมใช้ธงเนี่ยเป็น อุปกรณ์อันหนึ่งในการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และในธงเนี่ยจะมักนิยมเขียนเขียนทบทธรรมบทสดูดีพุทธคุณลงไปที่ที่ตัวธงและให้ลมพัดแล้วก็อธิบายถือว่าลมพัดธงกระพือไหวมากเพียงไรนานเพียงไรนั้นตัวก็ได้บุญเท่านั้น ได้บุญในข้อของของความเคารพนอบ น, อบนอบอ้อมอปิญญาณกุศลเหมือนกับว่ามือของเราได้ได้กระดาบพระพุทธเจ้าคลังแล้วคลังเล่าปากของเราได้สาธยายมนสาธยายสะดวดีพุทธคุณคลั้งแล้วครั้งเล่าเขาเชื่อกันอย่างนั้นนั่นเราไปที่พุทธคยาเป็นต้นเนี่ยเราจึงพบธงที่เขาขึงด้วยคนที่เบตเนี่ย เต็มไปหมดเลยเ้าเชื่ออย่างนั้นแต่ว่าทางไทยเราเนี่ยธงธรรมะนั้นเราเอามาใช้ในทางหลังอย่างที่เราเห็นธงที่เขาปักตามรถหรือห้อยโดยมากก็ห้อยเป็นธงของหลวงพ่อ น, นั้นหลวงพ่อ น, นี่แล้วมีอักษรของจารึกเอามาใช้ในทางหลังไม่ได้ใช้เป็นบุญนยิยมกิจามันอย่างคนที่เบตครับ เจนีคติเรื่องนี้นะ่ะเคยมีมาแล้วแต่ครั้งเก่าก่อนพุทธกาลคือท่านอุปวานนะเมื่อครั้งที่ท่านยังสร้างบุญบา ร, รมีอยู่เนี่ยว่าท่านได้เคยเกิดทัน พ, พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งและในการเกิดทันพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นได้ทัน เมื่อตัวท่านเองเนี่ยเป็นคนยากจนนะฮะตามที่เล่าเขาเข้าหมายถึงชาวบ้านทั้งหลายได้ถวายพระเพลิงพุทธสลีละแล้วก็เก็บพระธาตุของพระผู้มีพระภาคมาก่อสถูบูชาให้คนทั้งหลายได้มุบูชาตัวก็ไปบูชาแล้วก็การบูชาของของท่านอุปวานะในครั้งนั้นซึ่งอย่างยากจนนั้นได้ใช้วิธีการ เอาผ้าขาวที่ตัวเองมีอยู่ผืนหนึ่งเนี่ยไปปลูกเอาไปผูกที่ปลายไม้ด้วยอาการเป็นธงปักบูชาพระพุทธเจา้าและธงนี้ได้ถูกนำเอาไปใช้ในพิธีคือคนที่เป็นหัวหน้าดูแลเนี่ยถือธงของของอาจารยอุปวานะตอนนั้นเนี่ยไปใช้ ทำประทักษิณบูชาพระสถูปเขาก็มีความยินดีเกิดมหากุสลโรมนาตมากก็เล่าว่าอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นเป็นคติเรื่องการใช้ธงเป็นเครื่องบูชาที่มีปฏิบัติมาก่อนนานแล้วแล้วก็เชื่อว่าทางทิเบตเนี่ยได้อาจจะใช้คติที่ได้จากพระเทละ หลายองค์ที่ได้ทำอย่างนี้ในครั้งก่อนๆไปเป็นจุดเน้นในทางการบูชาของพวกเขา็ น, เ, นเรื่องพระอุปวั น, นะต่อไปอีกองค์หนึ่งครับองค์ที่หนึ่งร้อยห้าสิบสี่องค์ที่หนึ่งร้อยห้าสิบสี่นั้นมีชื่อว่าอิสิทินนะท่านอิสิทินนะาว่าตามชื่อก็แปลว่า ผู้ที่ฤาษีส่งมาเกิดท่านเกิดในตระกูลเศรษฐีชาวสุนาปรันต์ชนบทอ่ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของอินเดียเป็นชนบทที่อยู่ทางทิศตะวันตกของอินเดีย mm hmm. ก็เรียกว่าเป็นลูกเศรษฐีบ้านนอกได้เลื่อมใสพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะว่าได้เห็นพุทธาพินิหารครั้งใดครั้งหนึ่ง ของพระบุทธเจ้าเขาก็เลื่อมใสอันนี้ก็เป็นเป็นข้อธรรมดาฝากสังเกตด้วยอันหนึ่งว่าคนที่ไม่ใช่แต่คนที่มาเป็นพระอารหันต์ในที่สุดเนี่ยนะฮะการก้าวเข้ามาสู่ความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับก้าวเข้ามาสู่ความเลื่อมใสด้วยแรงจูงของริสคือเห็นริสเห็นปาฏิหาริแล้วก็เลื่อมใส ซึ่งข้อหน้าเลื่อมใสหรือพลังฤทธิ์ที่นํามาสู่ความเลื่อมใสนั้นบางคนเห็นฤทธิ์แล้วก็ไม่เลื่อมใสไม่ชอบในเรื่องพลังฤทธิ์บางคนนอกจากไม่ชอบแล้วยังมีความรู้สึกปฏิเสธในลักษณะอย่างนี้คือในเรื่องของฤทธิ์ได้วยตามก็คือเรื่องนี้เราก็ไม่ว่ากันนะบางคนก็เลื่อมใสด้วยอนุสาสนีปฏิหารคือเลื่อมใสในทางหลักการบางคนก็เลื่อมใส ในทางอาเทสนาปฏิหารเรื่องการรู้เท่าทันตัวว่าไปพบใครใครรู้เท่าทันตัวกระทั่งว่าคิดอะไรก็รู้เท่าทันอย่างเงี้ยก็เลยเลื่อมใส ย, ยอมสิโลราบอย่างนั้นก็มีบางคนก็ไม่ชอบครับไม่ชอบให้ใครมารู้เท่าทันตัวก็พระพุทธเจ้าหรือล่าหลานเธอก็มักจะทําไม่รู้ไม่ชี้ไม่ไปละราบละลวงให้สะเทือน แผลหรือสะเทือนอะไรของเขานะที่เขารู้สึกว่าสงวนตัวสงวนท่าทีอยู่และบางคนนั้นก็เลื่อมใสอิทธิปาฏิหารแต่ยอมก็ด้วยอิทธิปาฏิหาร mm hmm. เช่นแค่ทําให้ดูบางคนก็เลื่อมใสแล้วหรือไปเห็นโดยบังเอิญก็เลื่อมใสแล้วหรือว่าบางครั้งก็ต้องใช้ฤทธิ์เนี่ยไปทำทรมานแล้วทรมานอีกจนกระทั่งยอมรับในที่สุดอย่างเช่นชดินสามพี่น้องเป็นตน้น ฉะนั้นอิสิทินะเนี่ยก็เริ่มใสด้วยอำนาจของอิทธิที่ได้เห็นเข้าโดยพระพุทธเจ้าไม่ได้ทำเพื่อทรมานอิสิทินะแต่เป็นเรื่องของเหตุการณ์บังเอิญน่ะไปไปเห็นเข้าก็เลยเลื่อมใสทีนี้เรื่องบังเอิญไปเห็นเข้าแล้วเลื่อมใสนี่ก็เป็นข้อที่เราเราเคยพูดกันมาแล้วว่าบางทีปฏิหารไปทำโชว์เข้าบางคนเข้าไปเลื่อมใสนะฮะ คนมีปฏิหารต้องไม่อวดในในเป็นที่สาธารณะแต่อวดเนี่ยไม่ใช่ว่ า, เ, าเป็นกรณีที่ไม่ถูกต้องหมดจะพูดนะว่าไปทาเพื่อการประชาสัมพันธ์ในทางสาธารณะเนี่ยจะไม่มีผลกับคนบางประเภทเนี่ยคนที่เป็นคนลึกซึ้งละเอียดลอละเอียดอ่อนเนี่ยนั่นต้องให้เขารู้เองแล้วบางทีเขารู้แล้วมาถามก็ยังต้องบ่ายเบี่ยงปฏิเสธว่า ตัวทําได้ตัวเก่งย่างงั้นแล้วเข้ามาจับได้ไล่ทันที่หลังเนี่ยก็เรามาเลื่อมสเนี่ยก็เรียกว่า อ, อพระ ท, ทั่วไปที่ท่านมีปฏิหารแล้วก็การนําเสนอปฏิหารของท่านกับคนส่วนมากหรือต่อสานาชนเนี่ยต้องแสดงในลักษณะปกปิดอย่าไปอย่าไปอวดนะพูดง่ายอย่าไปอวด ก็คือให้ความดีความสามารถใครเข้ามารู้เองรู้ด้วยตัวเองภายหลังเนี่ยก็จะมีคุณค่าแก่ความรู้สึกเขาแต่ว่าไอ้บางคนก็ไม่สามารถที่จะมารู้ได้สําหรับกรณีเฉพาะบุคคลเนี่ยนะฮะก็ต้องไปทําให้ก็ดูแต่ว่าไม่ใช่ทําดูเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเพื่อที่จะทําให้เขาได้อาศัยก้าวเข้ามาสู่ธรรมอย่างนั้นด้หลพระพุระเจ้าและพระอริยสาวก ทำในกรณีอย่างนี้เป็นนานมากก็เป็นนันว่าท่านเลื่อมใสทีนี้เมื่อเลื่อมเลื่อมใสเนี่ก็ตามไปฟังธรรมะด้วยความเลื่อมใสเมื่อได้ฟังธรรมะแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันในขณะที่ฟังธรรมะนะั้นเหมือนอย่างนางวิสาขาแล้วก็อยู่คลองเลื่อนเป็นปกติมาโดยลําดับยังไม่ได้บวชทันทีนะครับวันนี้ก็ท่านเองนะได้รับการ ตักเตือนจากเพื่อนที่เป็นเทวดานี่ก็เป็นข้อยืนยันอีกรณนีหนึ่งว่าคนที่ได้เวียนว่ายได้เกิดแล้วก็ได้ทำบุญคบค้าสมาคกงกันมาพอมาถึงคราวหนึ่งเนี่ยบางทีเพื่อนเราอาจจะไปเกิดเป็นเทวดาแล้วก็ในการเกิดเป็นเทวดานั้นบางคนเขาก็ได้ได้ได้ถึงธรรมะแล้วได้เรื่มสายศาสนาแล้ว บางคนก็ได้เป็นอริยบุคคลชั้นสูงขึ้นไปถึงขั้นอรหันแล้วถึงขั้นอนาคามีแล้วก็พวกนี้ก็จะนึกถึงเพื่อนแล้วก็มาเห็นว่าเพื่อนเข้ามาสู่ทางนี้ก็พยายามจะช่วยสนับสนุนนะรัวเพื่อนคนนี้สามารถที่จะก้าวไปในธรรมได้เหมือนอย่างพระพายญนะครับที่เราเคยเคยเล่าเป็นกรณีที่คุ้นหูอนนี้เป็นกรณีหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนที่ไปเกิดใน สุดท้าวาสภูมิก็เห็นว่าเพื่อนก้ามาสู่ธรรมะเป็นโสดาบันแล้วก็จริงและยังคลองเลื่อนอยู่ถ้าหากว่าปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยการเลื่อนไปสู่ธรรมะที่สูงขึ้นก็ยังไม่ทันการซึ่งเพื่อนนั้นอยู่ในวิสัยที่จะก้าวขึ้นไปสู่ความเป็นอริยะชั้นสูงได้โดยเร็วถ้าหากว่าเรา เราหมายถึงเทวดาไปสกิดเชวนไปกระตุน้นด้วยอาการที่ทำให้เกิดความรู้สึกที่เรียกว่าวิริยาลัมพะเกิดความสลดสังเวก็จึงได้ไปกล่าวถ้อยคำที่ชี้ให้เห็นของโทษของกรรมคาขุนของกรรมนะฮะเพราะว่าพระโสดาบันนั้นก็ยังอยู่ใน การกลองเรือก็คื อ, อยังคลองยังครอ ง, อ ง, รองทั้งครองกิเลสกรรมแล้วก็ยังครองทั้งวัดถุกามซึ่งเป็นเรื่องควรจะจะเบื่อหน่ายสําหรับฐานะของท่านในขณะนั้นก็จึงไปพูดในเห็นโทษของกรรมแล้วก็พูดให้เห็นคุณของของการประพฤติพรหมจรรย์ที่ยิ่งขึ้นไปกว่าพอได้ฟังเทวดาพพูดอย่างนี้ ก็ได้ความรู้สึกศรัทธาเลื่อนแบบก้าวกระโดดขึ้นว่าเอออย่างนั้นเราก็ควรจะออกบวชก็จึงได้ออกบวชและไม่นานก็ได้เป็นพระอาหารหันต์หลังจากการบวชนี่ก็เป็นเป็นประวัตินะฮะก็ตรงนี้เราก็ได้ได้เป็นข้อสังเกตเป็นมิตรของท่านก็คือว่าอาศัยกัลยาณมิตร คนแรกเนี่ยคือพระพุทธเจ้าหรือจะพูดอีกทีกาลยานมิตรเนี่ยมีกัลยานมิตรหลักเืิพระพุทธเจ้าแล้วก็มีกาลยานมิตรที่ไม่ใช่เป็นมนุษย์เป็นกาลยาณมิตรที่เกื้อกูลเกื้อกูลคือเรียกมีมิตรสองชั้นมิตรมิตรคนหนึ่งมิตรหลักที่เราจะได้บรรลุก็พอมีกันนั้นแล้วก็มีมิตรอีกคนคือมิตรทําให้ให้เราเนี่ยผูกอยู่กับมิตรหลัก ให้ได้ประโยชน์จากมิตรหลักโดยเร็วโดยเต็มสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนี่เป็นมิตรมิตรมือสองแล้วก็ก็สังเกตรตรงนี้ว่าเราไปอยู่ที่ไหนที่ไหนก็จะมีมิตรอยู่สองประเภทเนี่ยและเราเองทำตัวเป็นมิตรก็อาจจะทำตัวเป็นมิตรได้ยังใดอย่างหนึ่ง หรืออาจจะเป็นสองอย่างก็ได้นะอย่างใดอย่างหนึ่งก็เช่นว่าเราอาจจะเป็นผู้ที่อย่างเราพาเพื่อนไปวัดเนี้ยพาเพื่อนไปสู่ที่ฟังธรรมพาเพื่อนไปสู่ที่ปฏิบัติเนี้ยเราก็ทำตัวเป็นมิตรอย่างเทวดาตนนี้ทำกับเพื่อนของท่านคืออิสิตตะตันอิสิตินะนนต่อไปองค์ที่หนึ่งร้อยห้าสิบห้าองค์ที่หนึ่งร้อยห้าสิบห้า คือท่านสัมภุมกักจานะกัดจานะก็คือกัจจายนะนั่นแหละครับาบาลีบางทีเรียกกัจจานะและตากถามันจะเรียกกัจเจยนะเวลาเราเรียก เ, เราจะเรียกตามมาตรกถาว่ากัจเจยนะกัจจานะหรือกัจจยนะเป็นชื่อของโคดสำคัญโคดหนึ่งในอินเดียครั้งนั้น เป็นโคดเดียวกับท่านมหากาจยนะมหาการยนะนี่ก็เรียกชื่อตามโคดแล้วยกให้เป็นท่านาภิกษุที่มาจากโคดกัจจานะองค์สำคัญองค์ใหญ่ก็เลยเติมกำว่ามห า, าเดี๋ยวนี้เราคงจะเรียกบิ๊กเบิกอะไรกันไปอย่างนั้นท่านผู้นี้ท่านสามภุระเนี่ย เกิดในสกุลขราบดีชาวแกวนมคธชื่อตัวก็คือสัมภูละชื่อโคดคือกัดเจยนะหรือกัดจานะชีวิตของท่านก้าวเข้ามาสู่ธรรม ะ, ะค่อนข้างจะเร็วนะฮะคือเมื่อท่านเจริญเติบโตขึ้นมาก็ได้มีโอกาสมาฟังธรรมะเลยทีเดียวแล้วก็เมื่อฟังธรรมะแล้วก็บวชเลยทีเดียวและเมื่อบวชแล้วก็ได้ จะเริยนวิปัสสนากรรมฐานเลยทีเดียวอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในแคว้นมกุนั่นเองนะครับท่านเรียกว่าถ้ำเพระวะก็วันที่ทำให้ท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เหตุการณ์ตอนนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าเกิดสัปปายะทําขึ้นกล่าวคือวันนั้น ฝนตกอุตุสัปปายะก็เข้าใจว่าจะเป็นอฤดูที่เปลี่ยนมาจากร้อนนะเข้าสู่ฤดูฝนอินเดียนั้นคงจะอยู่ยากเลยนะครับเหมือนอย่างที่เราเข้าใจเดี๋ยวนี้แั้วใครที่ได้อากาศเป็นสัปปายะเนี่ยจ้องเขาถือมันเหมือนกับว่าเป็นโอกาสหรือเป็นเวลาที่ควรจะฉกฉวย หกช่วยปฏิบัติธรรมเพราะถึงเวลาร้อนนี่ร้อนเหลือเกินถึงเวลาหนาวก็หนาวเหลือเกิน เ, เวลาที่ดูกําลังดีก็คือผลัดร้อนมาสู่ฝนอะไรเงี้ยนะในช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีอากาศสบายเพรเมื่อฝนตกฟ้ารองฟ้าขนองน่ะ ไม่เป็นปัญหาสาหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมแม้ว่าขณะนั้นสัตว์ป่าจะตกใจร้องกลัววิ่งวุ่นว่าวุ่นวายกันอย่างไรก็ไม่เป็นปัญหากับพะและครับละนั้นก็ถือความสบายและตัวท่านเองนั้นอยู่ในถา้าความเย็นนั้นเลยระบาดเข้าไปถึงในถา้าที่ท่านอยู่ด้วยเกิดสปปรรยะอย่างยิ่งก็เลยว่าขณะนั้นเองทำให้วิปัสสนากรรมฐานของท่าน จะเิญกล้าขึ้นตีลวดตั้งแต่โสดาบานันจนถึงพระอรหันในขณนะนั้นเองอันนี้ฟังดูก็เหมือนกับว่าเอคนจะบรรลุธรรมเนี่ยถ้าไม่ได้อากาศสบายก็ติดขัดอยู่นั่นแหละ แต่พออากาศสบายข้้นมานิดเดียวรวดหลุดไปเลยถึงใช้คาว่าบรรลุในขณะนั้นเองทีนี้มาพูดถึงว่าในขณะที่ติดขัดเมื่ออากาศร้อนเนี่ยครับก็คงจะติดขัดไม่สะดวกทำได้ก็ได้ไม่เต็มที่ก่อนหน้านั้นมาจะกี่วันกี่ชั่วโมงอย่างไรไม่ได้บอกไว้นะแต่ก็จึงเรียกว่านา น, านกว่า ในขณะที่อากาศเย็นสบายโชยเข้ามาที่ทำให้ท่านเกิดร่างกายจิตใจที่เข้มแข็งเกิดความเบาความอ่อนความควรทางกายทางใจขึ้นแล้วก็ได้บรรลุในขณะนั้นเองนี่ก็เหมือนกับว่าวาบหนึ่งวูบหนึ่งของความเย็นสบายทำให้จิตของท่านรวมตัวทำงานสําเร็จเป็นพระานเอ า, าวูบมาวูบไปกับ อุณหภูมิที่กําลังเป็นที่สบายนั่นเองก็เลยได้บรรลุเป็นพระอราหันต์ไปเพราะไอ้วูบของสัพพายะละองฝนอุณหภูมิที่กําลังพอหมอพอดีวุบนั้นนั่นเองนี่ก็เป็นเป็นประวัติของท่านนั้นจุดเด่นจุดสนใจของท่านก็อยู่ตรงอุณหภูมิที่วูบประมานั่นแหละครับทําให้เป็นพระอราหันต์ก็เลยเห็นว่าไอ้เงื่อนไขของการที่จะ ได้บรรลุธรรมหรือได้ญาณอะไรปรากฏเนี่ยบางคนก็ไปติดขัดเรื่องกิเลสบางคนก็ไปติดขัดเรื่องกรรมบางคนก็ไปติดขัดเรื่องโน้เรื่องนี้หลายข้อติดขัดแต่ของท่านเนี่ยติดขัดเรื่องอุตตสัปายะพอข้อติดขัดนี้หลุดไปก็บรรลุธรรมได้นั่นเป็นองค์ที่หนึ่งร้อยห้าสิบห้าต่อไปองค์ที่หนึ่งร้อยหสิบกองที่หนึ่งร้อยห้าสิบหกนี้ ที่ชื่อว่าคิตกะเนี่ยนะครับเกิดในสกุลพราหม์ชาวแคว้นโกศล เ, เกิดนอกเมืองชีวิตการบรรลุธรรมของท่านก็ไม่อยากแคคนแสนเข็นอะไรคือ ท่านได้มาฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าเข้าใจว่าจะเป็นที่พระเจดวันนั่นเองมาก็มาอย่างที่เป็นชาวบ้านคนหนึ่งไปฟังธรรมะและเมื่อฟังธรรมะแล้วก็ศรัทธาบวชหลังจากฟังธรรมะนั่นเองและเมื่อบวชแล้วก็ไปทำกรรมฐานอยู่ในป่า ก็ได้ใช้ความพยายามอยู่มากพอสมควรนะฮะไม่ไม่ใช่ง่ายลาบลื่นเหมือนอย่างคนอื่นทีเดียวแต่ก็ไม่ยากเย็นแสนเข็นเหมือนอย่างบางคนทีเดียวเรียกว่าเป็นผู้ที่มีอัจยรัยอยู่ในเกณฑ์กลางกางอย่างที่ในตอนท้ายของมหาสติปัฏฐานพูดถึงก็ได้เป็นพระหลานครับพยายามพอุกควรเป็นพระหลาน เมื่อได้เป็นพระอรหันต์แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในป่าก็เห็นว่าท่านก็สั่งสอนอบรมพระรุ่นน้องรุ่นน้องในหมายถึงรุ่นน้องโดยการปฏิบัติที่ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์อย่างท่านก็ให้ข้อคิดเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องละความยินดียินร้ายที่เรียกว่าวินยยะโลเกพิชาโทมณสังเมื่อมีอารมณ์ ที่น่ายินดีก็อย่ายินดีเมื่อมีอารมณ์ไม่ดีก็อย่าเข้าไปยินร้ายพยายามประคองจิตให้เป็นกลางไว้อย่างนี้ก็จะบรรลุเป็นพระดิยะบุคคลได้นี่เป็นการสอนถึงหลักของการวางใจในการทำวิปัสสนากรรมฐานชีวิต ท, ท่านก็มีประวัติอยู่แค่นี้องค์ต่อไปครับองค์ที่หนึ่งรอยห้าสิบเจ็ดองค์ที่หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดมีชื่อว่าโซนะ โปติวิยะปุตตาท่านโซนะรูปนี้เป็นลูกของกํานันคองพ่อก็ชื่อว่าโปติโปติริยะนั่นเองิยะใช่ไ้มโปติริยะกํานันอยู่ที่ไหนกําณัน อยู่ที่เมืองกบิลพัทเป็นกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านนะครับอันเดียวกันสําหรับสมัยนั้นเป็นกำนันเมืองกบิลพัทแคว้นสักกะชื่อตัวคือโสนะพ่อชื่อโปติดิยะลูกยึงได้ชื่ออยังงั้นก็เมื่อเจริญเติบโตขึ้นท่านโสนะเมื่อครั้งยังไม่ได้บวชนี่นะครับ ตำแหน่งสูงสุดในชีวิตกระวาดเป็นเสนาบดีของท่านพัทธิยะท่านพัทธิยะก็คือพระพัทธิยะองค์ที่ออกบวชพร้อมกับพระอนุนนั่นเองคะัคณะนั้นแหละแล้วท่านพัทธิยะเนี่ยก่อนออกบวชนั้นได้เป็นพระราชาคือ อ, อที่ แคว้นสักกะเนี่ยเขาคงจะมีพระราชาหมุนเวียนกันเป็นและท่านพัติยะก็ได้เป็นพระราชาและเมื่อครั้งที่เป็นพระราชานั้นก็ได้แต่งตั้งให้ท่านโซณะเนี่ยเป็นเสนาบดีคราวนี้เมื่อท่านพัติยะราาออกบวชการเอาบวชของท่านพัติยานั้นบุญได้เล่าแล้วว่าออกบวชอย่างไรพระพุทธเจ้ามาทําอย่างไรท่านจึงได้บวชและจึงได้บรรลุธรรมเมื่อได้ออกบวชก็มาคิดว่าเอพระราชาเราก็ออกบวช เราจะอยู่ทำไมเราจะอยู่ให้ได้ประโยชน์อะไรแสดงว่าพระราชานั้นได้เห็นประโยชน์ของการบวชได้เห็นสาระของการบวชเราก็ควรจะได้สาระได้คือได้ประโยชน์จากการบวชเช่นกับพระราชาได้ทรงออกบวชก็จึงได้ออกบวชตามอันนี้เป็นการออกบวชตามหรือ อ, ออก พนวดตามพระราชาครั้งนี้เมื่อบวชแล้วเนี่ยพฤติกรรมไม่ได้เป็นอย่างพระราชาคือพระราชาได้แก่ท่านปฏิญาณบวชแล้วก็ได้เป็นพระหันทุกสิ่ทุกทอย่างนั้นเป็นไปตามความมุ่งหมายความคาดหวังเอาไว้แต่ต้นโดยทุก ป, ประการแต่ท่านโสนะเมื่อออกบวชแล้วทุกอย่างไม่ได้เป็นไปตามความคาดหวังว่าพระราชาได้อะไร สำเร็จอะไรเราก็ควรจะสาเร็จอ น, นั้นอะไรเป็นอุปสรรคอย่างไรกิเลสเป็นอุปสรรคสองท่านกิเลสอะไรเป็นอุปสรรคตอบว่ากิเลสคือความเกียจคร้านเป็นอุปสรรคท่านชอบนอนนอนมากเพราะว่าชีวิตการบวช แล้วก็ไม่ได้ทําอะไรแล้วก็ทําไม่ได้ออกนอกรูนอกทางอะไรไม่มีของเล่นอย่างอื่นเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรดีกว่านอนนะะใช่ไหมเราเราไปทำกรรมฐานเนี่ยก็จะกระจายถ้าสมมติเราไม่ทํากรรมฐานจะทําอะไรล่ะกินนี่มันไม่เหมือนกันอยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> อ้าวพูดถึงว่าอสมมุติเราไปอยู่เนี่ยเรานึกถึงนะนี่ก็เราก็ข้าใจชีวิตเปล่าอะ ถ้าเป็นพระบวชเข้าไปแล้วไม่ได้ไปกัดปลาตีไก่กขึ้นก็ไม่ได้ไม่ดูทีจะไปดูดีวีวิดีโอก็ไม่ได้อย่าไปเตะตะกล้อเขาเขาไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แล้วเราก็ไม่ได้ทํทาธรรมะเนี่ยมันทางออกที่น่าเกลียดน้อยที่สุดคือนอนน่าเกลียดสําหรับสายตาชาบ้านศีลไม่เสียหายนะฮะคือนอนแต่ว่ามันเสียหายหเรื่องความเจริญในธรรม มันก็เป็นทางเดียวที่ดีที่สุดของคนที่ยังไม่ได้ทำภาวนาหรือทำภาวนาและยังไม่ค่อยจะได้ผลเนี่ยนะะก็คือนอนก็เลยหลับตาสองแบบมือหลับตาภาวนากับหลับตาหลับหลับนอนมันใกล้เคียงกันมากและแม่บางคนนั่งภาวนาอยู่หลับตาอยู่บางทีก็ดูไม่ออกว่าหลับตาภาวนาหรือหลับตานอนนะ คนที่ตาถึงหรือตัวเราเองเรารู้ว่าเราหลับตาแบบไหนก็เป็นอันว่านี่คือความเกียจคร้านเข้าไปเป็นอุปสรรคแก่ท่านโสนะอดีตเสนาบดีของพระพัทถยราชาในสมัยยังไม่บวช พระพุทธเจ้าซึ่งในตอนนั้นยังทรงประทับอยู่ที่อนุปยัมพวันซึ่งอยู่ในแคว้นมัลละนะฮะเป็นที่ที่ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงออกก น, นวก็ฉายนั้นแหละแล้วก็พวกพระอานนต์และเจ้าใจอื่นๆก็ไปพบพระพุทธเจ้าไปออกบทที่นั้นได้ทรงควบคุมอยู่ขเรียกคุมกรรมฐานอยู่ ก็ทรงดูรู้ว่าใครเป็นอะไรเนี่ยแม่อยู่ระยะไกลก็รู้ได้ทรงเห็นว่าท่านโสนะแม้ว่าขณะนี้ที่ขี้เกียจเอาแต่หลับเอาแต่นอนเนี่ยท่านสามารถจะโปรดได้ปลุกได้ทำให้ตื่นได้ด้วยสติจึงได้ทรงให้สติโดยการฉายโอภาษไปฉายโอภาสโอภาษในหมายก็ว่าคือการ ไปสำแดงพระองค์ <c oughs> ต่อหน้าท่านโส น, นะระหนึ่งว่าพระผู้มียภาคได้เสด็จมาจริงๆแล้วก็ทรงตรัสสอนท่านโส น, นะด้วยถ้อยคำที่กระเทือนใจแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการละลายความเกียดครานท่านโส น, นะได้ฟังแล้วท่านก็รู้ทันทีเลยตอนนี้ยังไม่ได้บรรลุนะฟังได้ไม่รู้พระพุทธเจ้า สแสดงครั้งนี้นเพียงเพื่อผลคือทําให้หายขี้เกียจให้ได้และก่อนท่านโสนะท่านก็คิดว่าเราจะทําตัวอย่างผ่านผ่านมาไม่ได้แล้วสแสดงว่าไม่มีใครรู้แต่พระพุทธเจ้ารู้ไม่มีใครเห็นว่าไม่ดีแต่พระพุทธเจ้าเห็นว่าอย่างนี้ไม่ดีท่านจึงคิดว่าเราทําอย่างไรจึงจะทําให้เป็นคนไม่เห็นแก่นอน หนังตาไม่ย่อนไม่สลืมสลือด้วยความง่วงๆอยู่เป็นอาจินก็จึงคิดว่าเราจําจะต้องถือทุตองข้อหนึ่งทุตองข้อนั้นก็คืออัพโอกาสนิกังคะทุตองอัพโอกาสนิกังคะทุตองเนี่ยแปลว่าทุตองที่ถือการอยู่ที่แจ้งใครที่เป็นคนที่สลืมสลือชอบง่วงชอบหงอยชอบหลับนะ พยายามอย่าอยู่ในที่อับอย่าถ้าอยู่ในที่ใดแล้วก็อย่าหันหน้าเข้ามาสู่มุมมืดให้หันหน้าออกสู่มุมสว่างถ้าประตูเรือนประตูกุฏิมีประตูมีพระตะหน้าต่างให้เปิดเปิดเพื่อให้แสงเนี่ยมันทําให้เราไม่ง่วงมีไฟก็เปิดไฟนะมีไฟสองดวงดวงหนึ่งสว่างน้อยดวงหนึ่งสว่างมากเปิดดวงสว่างมากเพื่อให้ตื่น นี่เอาเรียกว่าปลูกให้ตื่นแล้วพอตื่นได้ที่แล้วบางทีแสงสว่างนั่นจะเป็นเป็นอุปสรรคที่หลังเพราะว่าพวกทำลึกๆเนี่ยเวลาหันหน้าจะต้องหันหน้าหลบหลบหน้าตา่างพอถ้าหันหน้าสู่หน้าต่างแล้วมันไม่ปัญหาเรื่องง่วงแล้วปัญหาเรื่องจิตไม่สงบลึกจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเวลาเราจะหลับเนี่ยความมืดชวนช่วยทําให้เราหลับ ได้ง่ายหลับได้สบายชันดอการทำสมาธิได้ลึกก็เทียบเหมือนกับเป็นความหลับแต่ไม่ใช่หลับ <c oughs> สมาธิจะลึกเสอมออยู่ในที่ที่มืดไม่มีแสงกวนประสาตตาอันนี้เขารู้ๆกันอยู่แ ล, แล้วแม่ทุกวันนี้เวลาเราตื่นขึ้นมาจะนั่งทำสมาธิต้องหันหน้าหนี้หันหน้าหนี้หน้าต่าง ถ้าหากว่าไม่ได้ปิดนะเมื่อท่านทำทุดงข้อนี้จึงทําให้นิสัยโงกง่วงของท่านนขาดเมื่อละนิสัยความงอกง่งได้ขาดแล้วในการต่อมาท่านก็ได้รับความสําเร็จจากการทําวิปัสสนากรรมฐานคือได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในการต่อมา นี่ก็เป็นตัวอย่างว่ า, าคนเจริญในธรรมจะ ม, มีอยู่สองระยะสองระยะนี่คือทุกระดับนะสองระยะเวลาเราดูแล้วเวลาเราจะพูดจาพูดคุยกับใครก็ตามดูไกลก็ตามหรือดูตัวเองก็ตามคือระยะหนึ่งก็ได้แก่ระยะเอาชนะกิเลสที่เป็นอุปสรรคในขั้นนั้นอีกระยะหนึ่งคือระยะเจริญในธรรม มันอทุกขั้นเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นและถ้าพูดถึงว่าอย่างไปเข้ากันเจ็ดวันเนี้ยเราก็ต้องต้องรู้เลยต้องบอกกันเลยว่าอาระยะอย่างเช่นเรารู้กันในวงการดีว่าสามวันแรกเนี่ยเป็นระยะสู้กับกิเลสซึ่งยังไม่ใช่ไม่ใช่ระยะเจริญในธรรมไอาะยะสามวันแรกที่ว่าระยะสู้กิเลสเนี่ยคือกิเลสอะไรต่อว่ากิเลส ท, ที่ เป็นกิเลสไม่ยอมรับการปฏิบัติเราพูดล้มลวงนี่น ะ, ะกิเลสไอ้ช่วงนี้เป็นกิเลสที่ยังไม่ยอมรับการปฏิบัติไม่ศรัทธาการปฏิบัติว่าเป็นของดีของน่าพอใจพอเราเอาชนะแล้วก็แปลว่าความเจริญในธรรมหลังจากนั้นมีได้ความเจริญในธรรม ใ, ในระดับของผู้ที่เห็นว่าการปฏิบัตินั้นดีแต่มันก็จะมีกิเลสอื่นอีกครับที่มันเข้ามา มาขวางความเจริญในธรรมในขั้นอื่นต่อไปอีกเพราะนั้นตรงนี้นะ เ, เวลาพูดเนี่ยเราก็ว่าการที่เราเห็นกิเลสกิเลสปรากฏขึ้นมาอย่างนี้มันไม่ใช่ยังไม่ได้อะไรเลยมันก็แสดงว่าดได้แล้วหละธรรมะมันกำลังเริ่มทำงานขั้นแรกของมันคือขวาล้างสิ่งชั่วร้ายออกไปก่อนไม่งั้นแล้วก็ขั้น ขวามันปรากฏไม่ได้จึงเปรียบเทียบว่าเหมือนกับการย้อมผ้าต้องทำผืนผ้าให้สะอาดซะก่อนสีจึงจะจับได้ดีและได้ชัดเจนเอาละครับไปถึงองค์ที่หนึ่งร้อยห้าสิบแปดผมขออนุญาตนอกเรื่องนิดหนึ่งนะว่า เนื่องจากว่าผมลืมหยิบเอาเอาคําพูดของพระอาจารย์ขึ้นมาไอ้จะเล่าเองก็พอได้ตอต่บางทีอยากจะอ่านสั้นๆมันอยู่ในกระเป๋าผมอยู่ข้างล่างนะอคุณประเสริฐช่วยลงไปเอาให้ผมดีนะฮะที่ผมที่ที่เก้าอี้ที่ผมนั่งมันมีกระเป๋ายกมาตั้งกระเป๋าเลยนะเออข้างข้างล่างอา่ายกขึ้นมาเลยผมจะหยิบเอาเอาหลักฐานที่เป็นถ้อยคําโดยตรง บางตอนนั้นน่าจะอ่านโดยตรงเพราะว่าน่าทราบซึ้งมากทีนี้ว่าตรงนี้ต่อไปก่อนครับองค์ที่ชื่อว่านิสพะเนี่ยท่านเป็นชาวโกริยะชนบทก็เป็นเมืองลูกพี่ลูกน้องกับพระพุทธเจ้าซึ่งอยู่ในสักกะชนบทแต่นี่ท่านเป็นชาวโกริยะชนบทคือแคว้นโกริยะนั่นเองมาแล้วเลย ขอบคุณขอ เ, เดี๋ยวผมว่าไปก่อนนะฮะท่านได้เข้ามาบวชเนี่ยก็เพราะว่าได้เห็นความสามารถถึงบุตธเจา้าในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ พระยาสองพระนครยกทัพจะมาฆ่ากันเพราะแย่งน้ำแลบพระพุทธเจา้าโดยตรงสเสด็จไปตรงนี้อ่านแล้วก็ชวนให้นึกถึงในหลวงเรานะครับฝรั่งเห็น เ, นเราเลื่อมใสกันทั้งโลกแหละดีว่าการที่จะมาขอสัญชาติไทยมันมง่ายง่ายๆมือนอย่งางสมไมก่อน ไม่ไงคงมีฝรั่งตามขอมาอยู่พึ่งพระบร ม, ม โ, โพโธิสมภานกันเยอะแหละแบบหน้าหน้าทึ่งหน้าเลื่อมใสที่คนฆ่ากันไอ้ยังไม่ฆ่านี่ยังนั่นนะคนฆ่ากันไปแล้วความแค้นกำลังปรากฏแล้วก็ในหลวงตลา ด, ดนิดเดีย สง เ, เรียกว่าสงครามกลางเมืองระ ง, ง, งับได้เป็นเรื่องอัตศจรรย์ทีนี้มาพูดถึงพระญาติเลือกกำลังเข้าตาน้ำไม่พอทำนาไอตอนเราอ่านเราก็ไม่เห็นภาพชัดแต่พอไปเห็นแม่น้ำโรินี่แล้วก็ชัดเลยเพราะว่าแม่น้ำทั้งหลายนี่อินเดียที่จะมีน้ำ อุดมสมบูรณ์คงเส้นคงวาอย่างที่เมืองพาราณสีเนี่ยไม่เคยเป็นอย่างนั้นหรอกพอถึงคราวฤ ด, ดูแล้งก็ะแห้งอย่างแม่น้ำเนรันชลาเป็นต้นและโรฮีนีนนก็ไปเห็นว่าแห้งมีตะไครน้ำไม่พอเพราะฉะนั้นการทานาต้องใช้น้ำมากเมื่อ น, น้ำไม่พอแล้วก็แบ่งไม่หรือไม่มีน้ำใจแบ่งสรรปันส่วนกันให้เหมาะสมก็เลยต้องแย่งกัน แย่งกันถึงขั้นเรื่องละบาทไปถึงในลัวในหวังยกทัพมาจะฆ่ากันเพราะแย่งน้ำพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเสด็จไปตรัสถ้อยคาบางคาคือการเสด็จไปของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะฮะในกรณีอย่างนี้ท่านไม่ได้ไปธรรมดาท่านเสด็จไปด้วยฤทธ์ไปยืนอยู่น้ำกลางอากาศ แล้วก็ตรัสประกอบธรรมคือธรรมะที่ตรัสก็มีเนื้อหากินใจด้วยแล้วก็มาอย่างผู้ที่มีพลังพิเศษด้วยเป็นที่เคารพแก่ทั้งสองฝ่ายด้วยมันพอตรัสพุสพทธพจน์สั้นๆว่าชีวิตของกษัต ร, ริย์กันกันน้ําเนี่ยอันไหนจะมีค่ามากกว่ากันเนี่ยตรัสให้ตอบเหมือนตอบว่าชีวิตกษัตริย์มีค่ามากกว่าแล้วทําไมจะเอาชีวิตกษัตริย์เนี่ยมาแลกกับน้ําที่มีค่าน้อยกว่า ทุกคนก็ได้สติระลึกได้ก็เลยยอมเลิกลากันไปแต่หลังจากนั้น ก, ก็คงจะมาตกลงแบ่งน้ํากันโดยยุติธรรมนะเพราะว่าคนเราพอมันเกิดกุศลจิตแล้วพฤติกรรมก็เปลี่ยนเป็นทางที่เหมาะสมแน่ดังนั้นเหตุการณ์ตอนนี้ครับทําให้คนเลื่อมใสแล้วมาบวชหลายอง ค, ค์เคยพูดมาแล้วบางองค์ก็มีองค์นี้ก็เป็นอีกองค์หนึ่งที่มาในหมู่ของของเรียกว่า เป็นพระญาติบงังเรือว่าเป็นรัษฎรอย่างนี้ก็มาในฐานะเป็นรัษฎรของฝ่ายฝ่ายพานางพิมพ์พามาจากเามืองกรลยักต่างฝากโน้นอีกฝากหนึ่งของแม่น้ําโลหินีก็เลยมาบวชนะครับองค์นี้ศรัทธานึ่งขนานมาบวชแล้วก็เมื่อมาบวชแล้วบารมีดีเหลือเกินครับ พอบวชแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ในวันนั้นเองอันนี้ถ้าเดี๋ยวนี้พูดให้ฟังท่านสมัยก็เรียกว่าบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ในวันสันติภาพเพราอย่ากึกกันท่านบวชบรรลุเลยวันนั้นเรีนพระอาหารหันต์พิเศษเนี่ยน่าจะเอามาเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของหน่วยงานหรือสมาคมองค์กรเกี่ยวกับเรื่องสันติสันติเนี่ยนะ ท่านนิสสะ <c oughs> ก็เมื่อได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วท่านวันหนึ่งเนี่ยครับท่านได้ไปกล่าวสอนพระที่เป็นเพื่อนนะเป็นเพื่อนพระผู้ประมาทคำว่าประมาทอย่างชีวิตของพระปฏิบัติธรรมเนี่ย หมายถึงระมาี่มีความหมายกว้างแต่ว่ายางหนึ่งเนี่ยก็คือปล่อยวันเวลาให้ผ่านไปเปล่าๆโดยไม่ทำอะไรอย่างที่พระควรจะทำและที่ว่าพระควรจะทำลงนี้นะครับก็คือการปฏิบัติกรรมฐานสมมติว่าไปบวชเป็นพระเนี่ยถึงจะศีลสองรอยี่สิบเจ็ดไม่บกพร่อง บิณฑบาตเป็นวัดไม่บกพร่องแต่ว่าไม่ได้ทำกรรมฐานในเวลาระหว่างนั้นสมมติว่าทำวัดสวดมนต์อะไรต่ไรเสร็จทุกอย่างหมดทำอุปจาวัดอาจารยาวัดเรียบร้อยแล้วก็เวลาส่วนใหญ่ที่เหลือนะันคือเวลานอกจากวัดพวกนั้นไม่ได้ทำอะไรเรียกว่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปเปล่า เป็นชีวิตที่อยู่ด้วยความประมาทซึ่งเป็นความประมาทในสภาพของความเป็นนักบวชและประมาทต่อประโยชน์ชั้นสูงต่อธรรมะชั้นสูง <c oughs> ท่านจึงได้ไปกล่าวเตือนด้วยถ้อยคํา <c oughs> วินยูชนละเบญจาการมคุณอน่ารักน่ารื่นลมใจแล้วออกบวช ด, ด้วยศรัทธา <c oughs> แล้วพึงทําที่สุดแห่งทุกข ได้เราไม่อยากตายไม่อยากมีชีวิตอยู่และเรามีสติสรมัญญารอเวลาข้อนี้ <c oughs> ท่านว่า <c oughs> ท่านสอนเพื่อนแล้วก็บอกตัวเองคือยกตัวเองเป็นนิทัตอุทาหอนด้วยเป็นคำสอนที่ ที่คือถ้าเป็นเป็นปุตติชนเนี่ยก็เรียกว่ายกตัวนะฮะยกตัวแต่พระอาหารหันต์หรือผู้ที่กล่าวด้วยอํานาจของกุศล จ, จิตเนี่ยแม้พูดถึงตัวเองพูดถึงความสาเร็จทของตัวเองความดีของตัวเองไม่ใช่เป็นการยกตัวแต่เป็นการอานําตัวเองเข้าไปเป็นแบบอย่างแก่คนอื่นด้วยแล้วก็คมคนอื่นด้วยคนอื่นหมายถึงเพื่อนเนี่ยที่พอจะพูดกันอย่างนี้ได้ ว่าไอเราเนี่ยเราบวช ด, ด, ด้วยเห็นโทษของเบญจากามกุอลอารมณ์ละอันนั้นแล้วมาบวช ด, ด้วยตาควรจะทําที่สุดใงทุกและตัวท่านเองเนี่ยทำที่สุดในทุกได้และได้เป็นอรหันต์ซึ่งคําประกาศอรหันต์ของท่านเนี่ยคือคํานี้ครับบอกว่าเราไม่อยากตายและไม่อยากมีชีวิตอยู่เรามีสติสัมปชัญญะรอเวลาอันสมควรเท่านั้น นี่เป็นคําประกาศว่ามีชาติสุดท้ายคือถ้าเราได้ยินใครพูดว่าชาติสุดท้ายชาติสุดท้ายเนี่ยคําพูดนี้นะเป็นคําพยากรณ์นารหันน ะ, ะพระพูดอย่างนี้ก็คือพระพูดถึงตัวเองว่าเป็นอรารหันโยมพูดอย่างนี้ก็หมายถึงตัวเองเป็นอรารหันชาติสุดท้ายชาติสุดท้ายเนี่ยที่เรียกว่าอันอันติมาเทหะผู้มีร่างอันสุดท้ายผู้มีร่างสุดท้ายเทหะแปลว่าร่างกาย หมายชีวิตแล้วก็อันติมะแปล ว, ว่าสุดท้ายสมัยก่อนเนี่ยเวลาใครพูดว่าชาติสุดท้ายชาติสุดท้ายเนี่ยมีพระฟังแล้วก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าปล่อยว่าพระองค์พูดนะอดอุตตลีมรุษ ธ, ธรรมพุทธเจ้ามาสอบแล้วมักจะจริงจริงไม่ใช่จริงโอทนะจริงว่าท่านชาติสุดท้ายและจริงๆแต่ว่าพระที่ไปฟ้องเนี่ยก็สําคัญว่าจะเป็นการโอ้อวด วดอุตลิมนุธรรมฉะนั้นถ้าคนเข้าใจคำพูดอย่างนี้ที่ใช้กันอย่างในวงการพุทธสมัยนั้นก็จะไม่กล้าไปพูดหรอกครับทีนี้เมื่อเป็นอรหันต์และชาติสุดท้ายเนี่ยทำไมถึงไม่ทำไมถึงไม่ไมไมรีบฆ่าตัวตายอย่างท่านกุมารกรสปะถูกท่านพระเจ้าปยาสีถามว่าการเกิดเป็นทุก พระอาหารหันต์เป็นอาหารหันต์แล้วนิพพานรออยู่เบื้องหน้าก็รู้อยู่ว่าเป็นทุกข์ทำไมถึงไม่รีบฆ่าตัวตายจะได้พ้นทุกข์ท่านกุมารกระสปะท่านก็ตอบเปรียบเทียบว่าเป็นเรื่องต้องเป็นไปตามความเหมาะสมแห่งการเหมือนกับหญิงตั้งครันหญิงตั้งครันเนี่ยอท่านเล่าเป็นเรื่องอุปมาเปรียบเทียบว่าอยากจะรู้ว่าลูกของตัวเองอยู่ในท้องเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิง ถ้าเป็นผู้ชายก็จะได้เตรียมการจัดแจงเรื่องท ร, รัพย์มรดกอะไรอย่างทางทรรเนียมสมัยนั้นแต่เป็นผู้หญิงก็จะได้เอ้ยยกทรพัพย์สินให้ไอ้ลูกคนอื่นไปคือไอ้ว่ามีลูกลูกชายมาถามว่าแม่ลูกในท้องเป็นชายเหญิงตัวอดทนทนไม่ได้ก็เลยผ่าท้องเพื่อจะได้รูกลูกของตัวเองเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงในสือก็ตายกันทั้งแม่ทั้งลูก นี่ฉันใดกับฉันนั้นพระอรหันเนี่ยท่านรู้จักรอการไม่ได้เอาความประสงค์อันอื่นมาเป็นตัวหักฐานที่จะทําอะไรในลักษณะหักด้ามพระด้วยเขาไปอย่างที่เราคิดตามการลอ ง, องเหตุผลบางอย่างหรอกประเภทว่าจะไปฆ่าเ้าตายเขบอกเขาเนี่ยเกิดเป็นเลชานเป็นอบายสัตว์ฆ่าเขาตายจะได้ส่งวิญ ญ, ญาณไปเกิดบนสวรรค์พูดได้แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ จะไปสวรรค์กันด้วยเหตุที่จะไปเที่ยวข่ากันอย่างนั้นน้พระอรหันต์เนี่ยถ้าถามว่าท่านอยากมีชีวิตอยู่ไหมอันนี้เป็นคำแปลนะหมายเขาว่ากำหนัดในความมีชีวิตเหมือนอย่างปุถุชนทั่วไปไหมตอบว่าไม่กำหนัดคือไม่อยากมีชีวิตไม่ติดในชีวิตไม่เห็นชีวิตเนี่ยเป็นสุขไม่ความไม่มีความหวังอะไรที่มีฝากไว้กับชีวิตเลยและถามว่า ท่านอยากตายหรือบอกว่าไม่อยากตายในใจเป็นโนเบขาไม่ได้หลนหาที่ตายหรือไม่ได้คิดอยากจะตายนั้นจะเป็นหรือจะตายนั้นท่านรอว่าถ้าชีวิตของท่านจะพึงตายวันนี้ก็พร้อมจะตายวันนี้ถ้ายังไม่ตายวันนี้ก็พร้อมที่จะอยู่จนกว่าจะถึงวันตายตามการนะสมควรถ้าจะตายด้วยการอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรก็ตายได้ ท่านท่านท่านถึงประกาศความเป็นพระอาหารหันเนี่นี้ว่าเราเนี่ยออกบวชด้วยสถานละอะไรอะไรมาเนี่ยมันเหมือนกับซื้อชีวิตใหม่ด้วยการสละทุกสิ่งทุกอย่างออกไปเนี่ยแต่ไอชีวิตที่เราซื้อใหม่หรือโอกาสที่เราซื้อใหม่เนี่ยเราไม่ได้ใช้โอกาสให้มันสมกับราคาที่เราซื้อมานะฮะเราเรานึกอย่างคล้ายๆว่าเราเสียสละเวลา เสียสละโอกาสในการทำมาหากินไปไปบวชหรือไปเข้ากรรมฐานนี่ที่เราเข้าใจกันในชัดแต่เสร็จแล้วเราไปขี้เขียนไปนอนทอดถุยสิเนี่ยเมื่อมานึกถึงการที่เราจะต้องสูญเสียผลประโยชน์ในเรื่องต่างๆไปกับเวลาที่เราเอามาใช้เพื่อการเราไม่ทำอะไรเนี่ยมันน่าเสียใจอย่างยิ่งน่าเสียดายอย่างยิ่งนั่นบอกเพื่อนอย่างนั้น แล้วก็บอกว่าตัวฉันหรือตัวอาตมาหรือตัวผมเนี่ยได้กําไรจากการแลกเปลี่ยนด้วยชีวิตคารวาดมาเป็นเป็นพระนี้เต็มที่แล้วส่วนท่านนะ่ยยังไม่ได้สอนเพื่อนอย่างนี้ก็มันอาจจะแยบคลายหน่อยนะครับถ้าถ้ามาได้เราเป็นเพื่อนนะฟังคงไม่รู้แต่ว่าเพื่อนเขาจะหลา ด, ดกันฟังแล้วก็รู้กัน เลยได้แรงกระตุน้นเมื่อเกิดแรงกระตุ้นขึ้นก็เพื่อนก็เลยฝนกวัยปฏิบัติธรรมได้ประโยชน์จากการปฏิบัติธรรมโดยรวดเร็วเช่นเดียวกันนั้นชีวิตการทำความดีโดยเฉพาะระดับสูงเนี่ยเครื่องกระตุ้นเนี่ยสคัญมากเราไม่มีเครื่องกระตุ้นอื่นช่วยเหมือนอย่างทางโลกครับ เราไปรับจ้างขับสิบ ล, อล้อเราอาจจะกินยาม่ากระตุ้นแต่ปฏิบัติทำเนียอายาม่ามากินมันกระตุ้นไม่ขึ้นหรือจะไปกินไอ้ไอ้พวกไอ้ของกระตุ้นหลายๆอย่างเนี่ยมันกระตุ้นไม่ขึ้นหรอกมันไปกระทำมาไม่ได้จริงๆอ่ะไอ้อยิงคลีฟเขาขายโคตรสิบบาทหรืห้บบา บ, บาทกระตุ้นไม่ขึ้นมันไปด้วยกันไม่ได้จริงๆผมเคยทดลองด้วยตัวผมเองมาแล้วว่ามกระตุ้นได้ไหมพอยิงไปสูงๆเนี่ยน้ําชากาแฟก็ ก็ใช้ไม่ได้เลยครับไอ้แรกๆพอได้แต่ต่อไปแล้วใช้ไม่ได้มัน่วงมันกลายเป็นเครื่องขวางทันทีเพราะฉะนั้นคนที่จเจริญในธรรมสูงถึงมันถึงโดยธรรมชาติมันขวาดล้างสิ่งเหล่านี้ไปโดยอัตโนมัติเองมันกลายมันมันเหมือนคนอยู่ดีๆแล้วไปกินอะไรเข้ามาให้มันเสียความรู้สึกทางกายทางใจก็ยังนึกว่าแม้นี่ถ้าใครจะไป ตั้งโรงงานผลิตยาผลิตย า, ตยาบำรุงธรรมะกินเข้าไปแล้วไอ้สมาธิเกิดนะนั่งสมาธิทนแล้วก็เจริญในธรรมได้จริงๆนะไม่ใช่ปลอกของปลอมเนี่ยผมว่าเม็ดละล้านสองล่านอนหกมีคนเต็มใจซื้อถึงไม่มีเงินซื้อทันทีก็ยินดีจะผ่อนส่งนะผ่อนส่งพะเป็นอาลัหารแล้วก็ใช้หนี้หมด เร็วครับไม่ทันไรหรอกดีไม่ดีอย่าไปซื้อแจกกันด้วยดิแจกคนที่บ้านจะได้เอาธรรมะธรรมโมเหมือนกับเรามั่งหลายหลายคนอาจจะนึกอย่างนั้นแต่มันเป็นไปไม่ได้ไม่มียาอะไรที่จะช่วยได้เลยในทางนี้ต้องทําด้วยตัวเราเองแล้วก็ยาจะช่วยได้ก็เป็ น, นเพียงเครื่องอนุเคราะห์อ้อมๆเท่านั้น ไม่ใช่เป็นพาหะโดยตรงจึงต้องพึ่งแรงตัวเองครับจึงต้องพึ่งตัวเองอย่าหวังพึ่งสิ่งอื่นสิ่งอื่นนั้นเป็นเครื่องช่วยเท่านั้นและเครื่องกระตุ้นที่ดีที่สุดในทางศาสนาคือธรรมะแล้วก็ธรรมะนั้นอาจจะได้มาจากเพื่อนเพื่อนก็มาช่วยกระตุ้นธรรมะของเราให้เช่นว่าความเพียรก็ของเราแต่คนกระตุ้นคือเพื่อนเรามากระตุน้นนั่นเป็นบางคนก็อาจจะเป็นอย่างท่าน ทันวัน ล, ลีที่พูดคราวที่แล้วพระเทววันนะนะนั่นต้องต้องอาศัยเพื่อนกระตุ้นตลอดไม่งั้นธรรมะไม่เกิดธรรมะไม่เดินองค์ที่หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าองค์นี้ชื่อว่าพระอุสภพะไม่ใช่อสุภาะนะอสุภะแปลว่าปฏิกูลหรือสรากศพถ้าอุสภพะนี่แปลว่าประเสริฐ สาลโอเลื่อนผิดที่นิดเดียวความหมายเปลี่ยนเลยท่านอุสะพนี้เป็นเจ้าสากยะก็แน่ลวครับท่านก็ต้องเกิดในรั้วในวังเมืองก บ, บิลพัทและออกบวชเมื่อคราวพระผู้มีภาคสเสด็จไปโปรดพระญาติตั้งแต่กลางแรกก็เลื่อมสายออกบวชตอนนั้น นับว่าเป็นคนที่มีบารมีดีคนหนึ่งแต่ก็ไม่ดีเท่ากับคนอื่นที่็ขาขนกวไปบวชกันเองโดยที่พระพุทธเจ้าไม่ท้งเสด็จมาก่อนอเมื่อบวชแล้วท่านก็ดีไม่ตลอดเกิดอุปสรรคและอุปสรรคของท่านนั้นคืออุปสรรคสองอิเลดสองตัวหนึ่งไอ้อ่ ความจริงเนี่ยจะว่าเป็นกิเลสตัวเดียวก็ไ้คือโลภะกิเลสที่เกิดสองกรณีคือหนึ่งยินดีในการครุกครีอันนี้เป็นอันตรายมากสำหรับชีวิตของการการบวชแล้วก็บวชอย่างปฏิบัติอย่างสมัยก่อนเนี่ยนะคำว่าคลุกคลีเนี่ยหมายถึงคลุกคลีด้วยหมูด้วยกันนะมาคลุกคลีในสังคมสองแบบ นะหนึ่งคลุกคลีกับโยมเนี่เป็นเรื่องร้ายแรงเลยครับแล้วก็นอกจากว่าจะร้ายแรงแล้วบางทีก็หมิ่นเม ก, กับการไปกระทบถึงการผิดศีลด้วยเพราะว่าศี น, นี่มีข้อจํากัดเกี่ยวกับกับโยมเนี่ยการสังคมกับโยมเนี่ยเยอะหลายอย่างที่พอคนชอบคลุกคลีแล้วก็โอกาสผิดพลาดในทางศีลที่เป็นกรณีเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับโยมเนี่ยเป็นไปได้ได้ส่วนหนึ่งได้ง่ายนะ อีกอันหนึ่งที่อาจจะไม่ผิดศีลแต่ว่าเสียหายทางธรรมะก็คือคลุกคลีกับละเด็กกันคลุกคลีกับละดดวกกันซึ่งก็หมายความว่าไปคลุกคลีร่วมหมู่ร่วมควณะพูดคุยอะไรต่างๆหลายลักษณะของการคลุกคลีสูงบ้างต่าบ้างที่ไม่ไม่ใช่กิจไม่ใช่เหตุอันเหมาะสมก็เป็นอันผิดซึ่งหมายความว่ า, วา ผู้ที่ได้ชื่อว่ายินดีในการคุกรีนะ่ะคือคนที่ชอบสังคมและเราก็เข้าใจความรู้สึกของคนประเภทนี้หรือความรู้สึกประเภทนี้ซึ่งก็อย่างเราก็มีมากมีน้อยมีลักษณะต่างๆคือบางคนชอบเข้าสังคมบางคนเนี่ยอยู่ห่างใครไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้แล้วก็จะต้องชอบเข้าสังคมเป็นเป็นปกติเป็นอาจินอย่างเงี้ยคือเป็นคนนิสัยชอบสังคมนะ พูดทันๆว่าอย่างนั้นภาษาธรรมะเรียกว่าชอบคลุกคลีภาษาบาลีใช้คำว่าสังสักะสังสักะคือการคลุกคลีด้วยหมูด้วยกันนะซึ่งเป็นอันตรายต่อการประพฤติธรรมอย่างหนึ่งนะอถ้าจะให้ผมลำดับทบทวนอีกทีพูดซ้ําบ่อยแล้วนะครับว่าเหตุที่ทําให้บุคคลเสื่อมจากความเจริญในธรรมห้ายอย่างคือหนึ่งการคลุกคลีด้วยหมูด้วยกันนะผู้ยินดีในการคลุกคลีด้วยหมูด้วยกันนะ สองยินดีวยการพูดพูดคุยธรรมดาลูกๆเนี่ยชอบพูดแก็มีพูดหลายแบบอีก น, นะครับโพดฐานต่างกันไปแต่ว่า<ม>ความเป็นอุปสรรคจากการพูดกับกับธรรมะเนี่ยนะฮะกับการปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่าพูดถึงว่าต้องไปพูดโกหกไอ้นี่มันเสียเสียหายศีนมากเกิดกรรมขวางด้วยเลยกิเลสด้วยกรรมด้วย พูดซอเสียดอันนี้ก็เหมือนกันตีจินนินทาแต่ที่ว่าแม้แต่พูดสัมผัสบาลปะคือพูดพร่อยพูดปล่อยประโยชน์เปล่าประโยชน์ตรงนี้ทำลายทำลายธรรมะแม้พูดเป็นประโยชน์แต่ว่าผิดกาลละผิดเทศะก็ยังมีส่วนทำลายอีกเหมือนกันแต่เล็กน้อยลงมาเพราะนั้นในทาง ทำเนี่ยการควบคุมการพูดเป็นเรื่องสาราสําคัญอันหนึ่งเลยทีเดียวน่าจะมีการเอาอันนี้มารวบรวมอธิบายว่าการพูดกับการปฏิบัติธรรมมีรายละเอียดมีแง่มุมอย่างไรบ้างนะเราก็ได้เทียงแต่ว่าหยิบมาตรงนั้นตรงนี้มาพูดกันทีละนิดทีละหน่อยไ ม, ไม่ได้สารเข้ามาเป็นระบบ ให้ฝังแน่นในความเข้าใจลึกซึ้งกันสกทีหนึ่งแล้วก็ยินดีในการงานคือทำโน่นทานี่ที่ไม่ใช่กิจแล้วก็ยินดีในความหลับนอนมากชอบหลับและไม่พิจารณาทรรมที่ได้แล้วธรรมะที่เราได้แล้วถ้าเราพิจารณาเราก็เท่ากับรักษาตุนเดิมไว้รักษาใจให้มั่นอยู่ในสิ่งที่เราได้แล้ว ของเก่าจะได้ไม่หายของใหม่จะได้เกิดเชื่อสืบทําให้ลุงเรืองขึ้นอนี่แหละครับถ้าหากว่าใครทําถูกโอกาสจเจริญในธรรมก็มีได้ง่ายใครทําผิดด้วยทําอย่างนี้ก็เสียธรรมะได้ง่ายนี่เป็นข้อหนึ่งที่เป็นข้อเสียของท่านในตอนนั้นแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือพอตกกลางคืนก็หลับมาก ท่านใจก็ว่าหลับทั้งคืนหลับทั้งคืนฟังดูโล่งๆ ก, ก็ดูดีนะครับแต่ว่าในทางธรรมารนี่ไม่ดีถ้าใครบองนี้หลับทั้งคืนเนี่ยมันรุนแรงนะหลับทั้งคืนหมายก็ว่าดวงอาทิตย์ตกฉังก็หลับดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นฉันก็ไม่ตื่นถ้าเป็นอย่างเราก็ไม่เห็นเรื่องแปลกอะไรแต่ว่าพระเนี่ยหลับทั้งหมายเป็นเรื่องสมมติว่าตีสี่เขาตื่นกันแล้ว เราหกโมงเพิ่งลืมตาโอ้ยก็ไปกันหมดหมดกุฏิแล้วหมดห้องแล้วเรายัางเพิ่งตื่นนี่แมอวางหน้าไม่สนิทนะครับเพราะนั้นชีวิตของผู้ปฏิบัติเนี่ยเขาจะนอนกันในมัชชิมยามสี่ชั่วโมงนี่เป็นอย่างเต็มที่นะการนอนเต็มที่อย่างชีวิตของคนที่ปฏิบัติเป็นปกติของพระสมัยก่อนเนี่ยสี่ชั่วโมงนี่เรียกว่าเต็มที่ในมัชชิมยาม มัจจิมยามก็คือสี่ชั่วโมงกลางหนึ่งทุ่มสี่ทุ่มในปฐมแล้วก็สี่ทุ่มถึงตีสองมัจจิมยามเลยจากนั้นปัจจิมยามปัจจิมยามนี่เป็นเวลาที่ดีที่สุดของการปฏิบัติธรรมคนเราก็เข้าใจได้เลยว่าเวลาดีอากาศก็ดีความสงบก็ดีที่สุด ร่างกายตื่นขึ้นมาตอนนั้นก็กระฉับกระเชงรับธรรมะได้อย่างดื่มดื่มดำที่สุดคือตอนนั้นนี่ท่านก็บอกว่าไม่ไม่ได้พูดว่านอนกลางวันนะนอนนอนเป็นคนที่มักนอนหลับทั้งคืนยังเวลาให้ล่วงไปล่วงไปโดยเปล่าเปล่ า, เ, ลาเช่นนี้ ทีนี้เรื่องที่ทันหลับมากเนี่ยเขก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าเกิดความฝันที่เป็นครูใครเคยได้ความฝันที่เป็นครูบ้างฝันแล้วได้คําสอนฝันแล้วได้สติเตือนใจมีฟังแล้วว่าชีวิตท่านอาจจะฟังดูสอดคล้องกับเหตุการณ์ทางคณะสงฆ์ในยุคนี้ บางประการอยู่ฟังเาเป็นไงนะฮะบอกว่าคืนหนึ่งเนี่ยท่านก็หลับก็หลับอย่างธรรมดาหลับอย่างท่านก็คือหลับอย่างขาดสติแล้ววันวันที่เกิดความฝันเป็นครูขึ้นก็คือท่านฝันว่าท่าน่ะห่มผ้าห่มจีวร น, นะสีใบยม่วงสีอะไร แม่ห่มห่มเตรียมไปรับใบกรีมการ์ดใช่ไหมก็เป็นห่มจีวรเขียวคือง่ายนะก็นั่งไปบนคอช้างเข้าไปสู่พระนครนึกภาพนะว่าพระองค์หนึ่งห่มชีวรสีเขียวนั่งไปบนคอช้าง อุ้มบาดเข้าไปบินทบาทในเมืองในฝันคนเห็นเข้าก็พากันกลูเข้ามาไม่ได้มาด้วยความชื่นชมนะมาด้วยความมัプラบหลาดตัวบหลาดท่านองนั้นเพราะว่ายิ่งสมัยก่อนเนี่ยเรื่องการขี่ช้างขี่มา้าวินัยอ้ามอยู่แล้ว <c oughs> แหมมันนี่ดีไม่นั่งหัวช้างนะ ไม่ได้นั่งหัว้างนั่งคช้างแมมฟังแนละ้วผมไม่ได้มีเจตนาจะเอามาเทียบกับใครพูดแล้วให้เห็นภาพว่าสมัยก่อนเขาก็เตือนใจกันก็มาดูกระตือนใจในทางว่าแมมท่านทำอะไรประหลาดประหลาดนะแต่ไม่ใช่เหตุการณ์จริงนะเนี่ยเป็นความฝันแม้แต่ฝันอย่างละอายว่าเรานี่ตายจริงทำไมทำอย่างนี้ได้ คนเข้ามาดูเขาเนี่ยเราเย้าหน้าไว้นะคืออายจนเกือบจะแทรกมาดินหนีเป็นความอายที่ไม่ใช่อายด้วยความรู้สึกที่เรียกว่าอายอย่างทางโลกเกิดอายแบบพีริขึ้นมาพินิอตตะปัว่าทําไมเราถึงทําอย่างนี้คนเข้ามาดูกใหญ่แล้วเลยในฝันนาวะลงจากคอช้างแล้วก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเลย พอตื่นขึ้นมาก็ลง่งเออไม่ใช่เหตุการณ์จริงไม่งั้นเราไปโจดไปฟ้องพุทธเจ้าเขาเนี่ยอาบัตเลยใช่นะอาบัตเลยถ้าเป็นเรื่องเหตุการณ์จริงนะก็สลดใจว่าโอ้เรานี่นะเราเนี่ยไม่ได้เข้ามาอย่างคนอบรมสติจึงขาดสติทําอะไรอะไรผิดไอ้การที่เราฝันอย่างนี้แสดงว่าความเป็นจริงเราอาจทําได้เพราะว่าไอ้ความฝันเนี่ยบางทีมันก็ บอกถึงความเป็นจริงของเราในทางพฤติกรรมข้างนอกนะฮะเช่นเราเราเมื่อเราฝันว่าเราไปขโมยของเขาเนี่ยแสดงว่าถ้าตื่นเนี่ยเราจะมีโอกาสขโมยได้เรายังมีเชื้อที่ขโมยในในความเป็นจริงอยู่แต่ยังไม่ขโมยเพราะว่ายังไม่มีโอกาสถ้ามีโอกาสก็ขโมยได้หรือฝันว่าเราไปฆ่าใครตายเนี่ย แสดงว่าเรานี่ยังมีโอกาสที่จะฆ่าคนได้ความฝันมันบอกละ่ะท่านก็เลยสลดใจกับตัวเองเกิดแรงบันดาลใจขึ้นเมื่อตื่นขึ้นในวันนั้นก็เริ่มศึกษาสมาทานวิปัสนาปฏิบัติวิปัสนากรรมาฐานเป็นอหรหันต์ไปเลย นี่เลยครับความฝันเป็นครูครับความฝันเป็นครูถ้าเราไม่อ่างถึงความฝันในบางทีแค่เราเราสมมตินึกกันะฮะสมมตินึกนึกจากนึกเองหรือไปเห็นใครเขาเขาทำอะไรเรามันนึ ก, กว่าถ้าเป็นเราเราอาจจะรู้สึ ก, กว่าสะดุ้งสะเทือนนะฮะว่าเอ๊ะถ้าเราไปทําอย่างนั้นเข้าเนี่ยเราจะเป็นยังไงเราจะรู้สึกยังไง แล้วบางทีอการนึกอย่างนี้ไว้มากๆไว้เป็นบางครั้งเนี่ยมันจะเป็นตัวประคองตัวเราไม่ให้ทำอย่างนั้นคือพอนึกแล้วก็เกิดความสะดุ้งกลัวแล้วก็ทำความปรารถนาในทางดีสำทับไว้ทีหนึ่งว่าเจ้าประคูลขอเรายา้เป็นอย่างนั้นเลยหรืออธิษฐานใจว่าขออย่าได้ทำอย่างนั้นเลยเป็นอังขาดก็เลยกลายเป็นนึกแล้วสะดุ้งกลัวแล้วก็หักเอามาเป็นการ สร้างเครื่องคุ้มกันในทางความรู้สึกให้แก่ตัวเองได้นี่ก็เป็นเรื่องของพระรูปนี้ต่อไปองค์ที่หนึ่งร้อยหกสิบองค์ที่หนึ่งร้อยหกสิบชื่อว่ากับปตาตะกุระท่านผู้นี้เกิดในเมืองเกิดที่เมืองสาวัตถีครับแต่ว่าเป็นคนยากจนเป็นคนยากจนชาวเมืองสาวัตถีนั่นเองนะ และชีวิตเบื้องต้นของท่านนี่ก็มีบางอย่างจนลมเพศอยู่คือเมื่อเจริญวัยขึ้นตอนแตกเนื้อหนุ่มช่วงต้นๆก็ทํามากินอะไรไม่เป็นเป็นคนไม่เก่งทํามากิน